มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวมวักปริณิพุตานังเจติเยปาติหาระปัญหาที่สองถามว่าพระอรหันติพานมีปาติหารที่เชิงตะกอนทุกๆองค์หรือ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 เป็นข้อปฏิบัติต่อไปในการนี้ปรินิพุตตานังเจติเยปาติหาระปัญหาเป็นคำรบสองจบเพียงนี้